เจ น, นท่านผู้มีจิตเมตตาการุณาใจบุญใจประสงค์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนพุทธศัการาช2552เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาบำเพ็ญมาปฏิบัติ กิจของพระศาสนาที่สอนให้เราดูแลรักษาใจของเรายิ่งกว่าสิ่งใดในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรที่มีความสำคัญเท่ากับใจของเราไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปตลอดนอกจากใจของเรา ไม่มีอะไรจะให้ความสุขได้สูงสุดนอกจากใจของเราและก็ไม่มีอะไรที่จะให้ความทุกข์แก่ใจของเราได้อย่างสูงสุดเท่ากับใจของเราพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานนี่คือเรื่องของเราก็คือเรื่องของใจ ใจเรานี่แหละเป็นของเราส่วนสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้แม้แต่สังขารร่างกายของเราก็ไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงไม่นานร่างกายนี้ก็ต้องหยุดทำงานต้องตายไปแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนในขณะที่มีร่างกายอยู่แต่พวกเรา ไม่ทราบความสำคัญของใจกันไม่เห็นว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่การดูแลรักษาใจของเราเราเลยไปหลงกับสิ่งต่างๆที่ให้ความทุกข์กับเราอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะหลงคิดว่าสิ่งต่างๆจะให้ความสุขกับเราแต่เราไม่เคย ใช้ปัญญาวิเคราะห์ดูเลยว่าทุกวันนี้เรามีความสุขไม่มีความทุกข์กันแนะ่เรามีสิ่งต่างๆมากมายกายกองทั้งนทั้งร่างกายของเราและร่างกายของผู้อื่นและสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆเรามีกันมากมายแต่เรามีความสุขแบบไม่มีความทุกข์เลยหรือไม่ เรือเรามีความสุขแบบแบบเคลือบความทุกข์เอาไว้อยู่เหมือนน้ำตาลที่เคลือบยาขมอยู่ความสุขของพวกเราจะเป็นแบบนี้กันเป็นแบบน้ำตาลเคลือบอยาขมไว้มันบางบางพอเราได้ออมไว้ในปากเพียงไม่นานมันก็ละลายไปหมดเหลือแต่รสขมที่เราไม่สามารถที่จะ กลืนมงไปได้แต่ก็ไม่สามารถคลายออกมาได้นี่คือความทุกข์ที่พวกเรามีกันอยู่กับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราได้จากการมีสิ่งต่างๆมาเป็นสมบัติของเราเราก็เลยกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกกับความทุกข์ที่เรามีอยู่เวลาทุก์แสนสาหัส ก, ก็ไม่สามารถปัดเป่าให้มันออกไปจากใจของเราได้ หรือไม่สามารถกลืนเข้าไปในใจให้มันหายไปได้ไม่เหมือนกับของบางอย่างที่อยู่ในปากเราถ้าเราไม่ชอบเราก็บ้วนทิ้งได้หรือถ้าเราจำเป็นต้องกลืนเราก็กลืนมันลงไปได้แต่ความทุกข์ที่มากับความสุขทางโลกนี้มันเป็นแบบกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกมันมากับความสุขที่เราหลงไป ติดอยู่ไปหลงอยากได้อยู่แล้วก็ต้องมาทุกข์อยู่ตลอดเวลาทุกไปจนถึงวันตายอันนี้คือความทุกข์ที่พวกเราจะต้องมีกันไปตลอดถ้าตราบใดเรายังให้ความสาคัญต่อสิ่งต่างๆในโลกนี้มากกว่าให้ความสาคัญแก่ใจของเราถ้าเรายังแสวงหา ยังรักษาสิ่งต่างๆในโลกนี้อยู่เราก็ยังจะต้องรักษาความทุกข์ให้อยู่กับใจของเราไปด้วยเพราะสิ่งต่างๆนั้นเขามีความทุกข์อยู่เป็นเงาตามตัวเปรียบเหมือนไฟที่มีความร้อนอยู่ในตัวของเขาถ้าเราไปเล่นกับไฟไปจับไปแตะต้องไฟ ไฟก็ต้องเผาเราทำให้เรามีความเจ็บปวดทรมานนี่คือเรื่องของสิ่งต่างๆในโลกนี้ที่มันไม่มีคุณไม่มีประโยชน์อะไรกับใจของเราเลยและใจของเราก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องอาศัยเขามาให้ความสุขเลยเพราะภายในใจของเรานั้นมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า ความสุขต่างๆที่เราจะได้รับจากความสุขจากสิ่งต่างๆนี่หละคือเรื่องของพวกเราพวกเราไม่รู้ว่าใจของเรานี้เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่จะให้ความสุขของเราให้ความสุขแก่เราได้ไปอย่างถาวรไม่มีวันสิ้นสุด ไม่มีวันเสือใใ่อมคลายไม่มีความทุกข์ปนอยู่ในความสุขของใจนี้เลยเช่นใจของพระพุทธเจ้าและพระใจของพระอาหารหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นเป็นใจที่ตัดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แม้แต่ร่างกายก็ตัดไม่มีความยินดีไม่มีความปรารถนา ที่จะมีเอาไว้ครอบครองเมื่อถึงเวลาที่เขาจะแยกทางจากใจไปก็ปล่อยให้เขาไปในขณะที่อยู่ก็ไม่ได้ไปยึดไปติดใจอย่างใดใจถ้าทำอย่างนี้ได้ใจก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ถาวร ความสุขที่ไม่มีความทุกมาเกี่ยวข้องเลย <c oughs> ใจของพวกเราก็ไม่ต่างกับใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาหารหันต์หรือใจของเดรัจฉานหรือใจของสัตว์นรกเป็นใจเหมือนกันอยู่ที่ว่าจะมีความฉลาดหรือความโง่เป็นตัวบงการเท่านั้นเองถ้ามีความโง่เป็นตัวบงการ มันก็จะฉุดลากใจให้ไปเป็นเดรัจฉานให้ไปเป็นสัทนรกถ้าใจมีความฉลาดเป็นผู้วงการมันก็จะพาใจให้ไปสู่พระนิพพานไปสู่พระพุทธเจ้าไปสู่พระอรหันต์ใจของพระพุทธเจ้าอของพวกเราจึงไม่แตกต่างกันเหมือนรถยนต์ที่ซื้อมาจากโรงงานเดียวกันรุ่นเดียวกัน อยู่ที่คนขับเท่านั้นแหละว่าจะขับไปทางไหนคนขับบางคนก็ขับไปอย่างปลอดภัยไปถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพคนขับบางคนก็ขับไปตกเหวขับไปชนกับรถคันอื่นอยู่ที่คนขับคนขับนี่แหละเป็นตัวที่บงการให้รถไปดีหรือไปชั่วรถเขาดีอยู่แล้ว เวลาซื้อรถมาใหม่มักจะมีคนมาให้พระเจิมให้เรื่อยเราก็บอกว่าอย่าไปเจิมรถให้เสียเวลารถทุกคันเขาผลิตมาดีแล้วเขามีการควบคุมคุณภาพตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วเขาถึงเอามาขายเพราะถ้ารถไม่ดีมาขายเดี๋ยวเขาก็เสียชื่อแล้วเขาก็จะขายไม่ออกอรถเนี่ยดีแล้วแต่คนขับต่างหากที่ต้องเจมิม ถ้าจะเจอมก็ให้เจอมคนขับแต่ไม่ให้เจอมด้วยแป้งเอาแป้งมาเจิมที่หน้าผากนี้มันไม่ได้ไปทําให้คนขับนั้นดีขึ้นฉลาดขึ้นต้องใช้ธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้มีสติอยู่ตลอดเวลาไม่ให้ประมาทถ้าอยากจะขับรถปลอดภัยถ้ามีคุณธรรมสองประการนี้หรือประการเดียวกันนี้แหละคือการมีสติ ถ้ามีสติก็ถือว่าไม่ประมาทถ้าไม่มีสติก็ถือว่าประมาท ก, การมีสตินี้เป็นอย่างไรก็ต้องมีสติรู้อยู่กับการขับรถรู้อยู่กับรถที่ยุบวิ่งอยู่ข้างหน้าหรือวิ่งอยู่ข้างหลังหรืออยู่ข้างข้างรู้อยู่ทุกขณะว่ารถกำลังวิ่งไปด้วยความปลอดภัยหรือวิ่งไปด้วยความไม่ปลอดภัย จะไปชนรถคันอื่นเขาหรือเปล่าวิ่งเร็วเกินไปหรือเปล่าขับรถอยู่ในทางหรือเปล่านี่คือการมีสติต้องรู้เรื่องราวแบบนี้อยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสติแล้วก็จะขับไปแบบประมาทไม่รู้ว่าตนนั้นรถของตนนั้นอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยหรือไม่ควรจะช้าควรจะชะลอหรือควรจะวิ่ง ให้เร็วควรจะชิดซ้ายหรือชิดขวาถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่รู้เช่นเวลาขับไปแล้วคุยโทรศัพท์กันอย่างนี้ก็ถือว่าไม่มีสติเพราะเดี๋ยวนี้มีสถิติออกมาว่ามีอุบัติเหตุที่เกิดจากการคุยโทรศัพท์กันในรถนี้เป็นจํานวนมากจนถึงต้องมีกฎหมายออกมาห้ามการ พูดคุยโทรศัพท์ในขณะที่ขับรถอยู่เพราะเมื่อขับแล้วจิตจะไม่มีสติอยู่กับการขับอย่างต่อเนื่องมีอยู่บ้างแต่จะต้องเอาสติมาใช้กับการคุยกับการฟังเสียงและเมื่อทำสองสามอย่างพร้อมๆกันสติก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้ในขณะที่เกิด เหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาเหตุการณ์กระทนหันขึ้นมาก็จะไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับรถให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยได้เพราะขาดสตินั่นเองนี่คือเรื่องของสติเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการควบคุมรถยนต์ของเราคือใจของเราใจของเรานี้ก็เป็นเหมือนรถยนต์ ถ้าเราไม่มีสติเช่นเราเสพสุรายามเมาไปแล้วเรามักจะไปทาสิ่งที่เราเสียใจภายหลังพอไม่มีสติแล้วก็จะถูกอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ฝ่ายต่ำวงการให้ไปทาสิ่งที่เกิดความเสียหายกับตนเองและกับผู้อื่นได้คนที่เสียเนื้อเสียตัวเพราะ เมาจากสุรายาเมาก็มีอยู่มากมายด้วยกันถ้าเวลาไม่เมาแล้วไม่ยอมให้ใครมาแตะต้องตัวเองเลยแต่พอเมาแล้วกลับปล่อยปะละเนยกลับอยากจะให้เขามาแตะต้องซื้ออีกเพราะถูกอารมณ์ฝ่ายต่ำเข้ามาครอบงำจิตใจไม่มีสติที่จะขับไล่อารมณ์ฝ่ายต่านี้ให้ออกไปจาก ใจของตนได้ตนก็เลยต้องไปทำบาปทำกรรมสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นและสร้างความทุกข์ให้แก่ตนเองถ้ามีคู่ครองแล้วก็ไปสร้างความทุกข์ให้แก่คู่ครองเพราะใจใฝ่ต่ำไปมีของภายนอกบ้านไปหาคนที่สองหาคนที่สามแล้วก็ทำให้คน ที่เป็นคนที่เรารักนั้นต้องช้า อ, อกช้าใจเพราะเราไม่มีสติที่จะควบคุมอารมณ์ที่บงการให้เราไปทำสิ่งที่เสียหายนั่นเองนี่คือเรื่องของใจของเราที่เราต้องมาดูแลรักษารักษาด้วยการมีสติแล้วก็รักษาให้มีแต่อารมณ์ที่ดีคือให้มีความคิดฝ่ายสูง อย่าให้มีความคิดฝ่ายต่ำให้คิดฝ่ายบุญฝ่ายกุศลอย่าไปคิดฝ่ายบาปฝ่ายกรรมเราจะทำอย่างไรที่เราจะรู้ว่าอะไรเป็นบุญหรืออะไรเป็นบาปเพราะบางทีเราก็ไม่รู้เราก็ทำบาปไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวเราไปทำสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้แก่เราโดยไม่รู้สึกตัว เราจึงต้องแสวงหาผู้ที่ฉลาดกว่าเราผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณเรื่องโทษที่เราจะได้ศึกษาและเราจะได้นำเอามากํากับบังคับใจของเราขับใจของเร า, ใ, เราให้ไปสู่ทิศทางที่ดีที่ปลอดภัยถ้าเราไม่ศึกษา ไม่ฟังคำสอนของนักปราชญ์เช่นพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่มีทางที่จะฉลาดได้เราจะไม่มีทางที่จะขับรถคือขับใจของเรานี้ให้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงได้เราจะถูกความโง่ของเราความไม่ฉลาดของเรานี้ขับพาเราไปสู่ความทุกข์อยู่ตลอดเวลา อย่างที่พวกเราเป็นกันอยู่นี้ทั้งๆ ท, ที่เราก็ได้ยินได้ฟังคำสอนของนักปราศกันมาอยู่ตลอดเวลาแต่ทำไมเรายังไม่เอาคาสอนของนักปราสนี้มาขับใจของเราเรายังปล่อยให้คำสอนของความโง่เขลาเบาปัญญาของเรานี้คอยขับใจของเราให้ไปหาความทุกข์อยู่ตลอดเวลา เพราะว่าคำสอนของนักปราชญ์ที่เราได้ยินได้ฟังมานี้มันไม่ติดอยู่กับใจของเรามันอยู่ในขณะที่ฟังเช่นในขณะนี้เท่านั้นเองพอเราออกจากศาลานี้ไปแล้วเราเริ่มคุยกันเริ่มเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็ปล่อยให้ความโง่ความไม่ฉลาดของเรามาขับใจเราทันทีพอเห็นอะไรที่เราชอบ ก็ไปหาสิ่งนั้นเลยทันทีพอคิดอยากจะไปทำอะไรที่เราชอบก็จะไปโดยทันทีโดยไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่เราชอบนี้มันให้ความสุขหรือให้ความทุกข์แก่เราสิ่งที่เราชอบนี้ส่วนใหญ่ 99% มันจะพาเราไปสู่ความทุกข์ทั้งนั้นแต่เราไม่รู้กัน เราเพียงแต่มองความสุขที่เราได้เท่านั้นเองแต่พอได้ความทุกมาเราก็พยายามหาวิธีแก้ความทุกขด้วยหาวิธีหาสิ่งอย่างอื่นมากลบก็หาความสุขมากรบเดี๋ยวเดีย ว, ยวแล้วก็เอาความทุกมาเพิ่มอีกหนึ่งกองแล้วก็จะมาหาความทุกขมาเพิ่มอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาที่มีความทุกใจอยู่ ก็ไปหาความสุขที่มีความทุกข์เป็นเงาตามตัวนี้มาปกไว้อีกมาปิดไว้อีกความทุกข์ของเราจึงมีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเราแทบจะทนไม่ไหวถ้าเราไม่เอาความฉลาดมาแก้ไขตอนที่เราเป็นเด็กๆความทุกข์ของเรานั้นไม่ค่อยมากเหมือนตอนที่เราเป็นผู้ใหญ่เพราะเราไม่ได้สะสมความทุกข์ไว้มากนั่นเอง แต่พอเราเป็นผู้ใหญ่เราก็เริ่มสะสมความทุกข์ขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราไม่สามารถอยู่อย่างเป็นสุขได้สมัยเด็กๆนี้เรากลับมีความสุขมากกว่าสมัยที่เราเป็นผู้ใหญ่ทั้งๆ ท, ที่เราไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่มีอะไรนี่แหละจึงทําให้เราไม่มีความทุกข์พอเรามีอะไรแล้ว เรานะเราจะมีความทุกข์ขึ้นมา ท, าทันทีเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีนั้นล้วนเป็นความทุกข์ทั้งนั้นแต่เราไม่รู้กันเรามองไม่เห็นกันและเราก็ไม่ยอมสลัดมันทิ้งไปเรากับหวงกับเสียดายทุกข์กับสามีขนาดไหนทุกข์กับภรรยาขนาดไหนทุกข์กับลูกขนาดไหนก็ตัดมันไม่ลงสลัดไปไม่ได้ ก็ยังต้องยึดติดอยู่กับสามียึดติดอยู่กับภรรยายึดติดอยู่กับลูกทุกกับการทำงานมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถสลัดออกจากงานได้เพราะยังติดอยู่กับรายได้จากเงินทองที่ได้จากการทำงานทาั้งท้ที่ไม่อยากจะทางานทาั้งๆั้งที่จะเบื่อทำงานแต่ก็ตัดไม่ได้สลัดไม่ได้ เพราะอยู่แบบไม่มีเงินใช้ไม่ได้นั่นเองไม่มีความกล้าหาญพอไม่มีความกล้าหาญที่จะอยู่แบบมักน้อยสํมโดอยู่เพื่อร่างกายเท่านั้นคือมีข้าวรับประทานมีบ้านอยู่ก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีเงินมาใช้จา่ายซื้อของต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพเลยแต่อย่างใดแต่ทำกันไม่ได้ พราอไม่รู้ว่าการอยู่แบบสมถะเรียบง่ายนี้เป็นการอยู่อย่างสุขจริงๆกลับไปคิดว่าต้องอยู่แบบฟุ่มเฟือยต้องอยู่แบบหรูหราต้องมีของแพงๆไว้คอยใช้ต้องมีเงินไว้คอยพาไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปซื้อสิ่งต่างๆมาดื่นมารับประทานมาดูมาฟัง แล้วก็ต้องมาทุกขกับการทํางานเพราะว่าไม่สามารถออกจากงานได้ถ้าออกจากงานแล้วไม่มีรายได้ก็จะไม่สามารถที่จะมีเงินมีทองไปซื้อความสุขต่างๆได้นี่คือความโง่เขลาเบาปัญญาของพวกเราทั้งหลายพวกเราถ้ายังไม่เห็นโทษของวิถีชีวิตที่เรา ดำเนินกันอยู่ในขณะนี้เราก็ยังจะต้องอยู่กับความทุกข์ไปตลอดไม่มีวันที่จะพบกับความสุขที่แท้จริงได้แต่ถ้าตราบใดเมื่อใดเราเห็นว่าวิถีชีวิตที่เราดำเนินอยู่นี้เป็นวิถีชีวิตที่ไม่ถูกต้องที่จะนำพาเราไปสู่ความทุกข์ไม่ใด้แต่เฉพาะชาตินี้เพียงชาติเดียว ตายไปแล้วมันก็จะพาเราไปสู่พบใหม่ชาติใหม่แล้วก็ไปทุกข์กับการเศงแงหากับการรักษากับการหวงแหนและกับการสูญเสียไปอีกเป็นอย่างนี้มาแล้วนับไม่ถ้วนพบชาติที่ผ่านมาและจะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่ตัดการ อยากได้สิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือวัตถุเข้าวของต่างๆถ้าไม่ตัดแล้วก็ยังจะต้องทุกข์เพราะว่าของเหล่านี้เขาเป็นความทุกข์นั่นเองเขาเป็นเหมือนไฟถ้าตรบใดเรายังเล่นกับไฟอยู่ยังไปจับไฟอยูต่ตราบนั้นเราก็ยังจะต้องถูกไฟเผาเราอยู่ สร้างความทุกข์ความร้อนให้แก่เราอยู่นี่คือปัญหาของพวกเราคือเราขาดปัญญาขาดคนขาดปัญญาหรือความฉลาดที่จะขับใจของเราให้ไปสู่ความสุขเรายังถูกความโง่ความไม่ฉลาดขับใจของเราให้เว่งเก้าหาความทุกข์ ให้วิ่งเข้าหาไฟอยู่ตลอดเวลาถ้าเราศึกษาวิถีชีวิตของนักปราชญ์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันต์ตสาวกทั้งหลายก็ดีวิถีชีวิตของท่านกับเรานี้ไปคนละทางเราไปทางโลกท่านออกจากทางโลกเราเข้ากองไฟท่านวิ่งออกจากกองไฟแล้วเรายังจะไม่ คิดที่จะกลับรถของเราหรือถอยออกมาจากกองไฟกันหรือหรือยังจะวิ่งเข้าสู่กองไฟด้วยความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากหาความสุขจากตาหูจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆจากการได้ยศได้ตำแหน่งจากการได้รับการยกย่องสรรเสริญเยือนยอ จากการมีเงินมีทองเป็นมหาเศรษฐีอยู่ถ้าเรายังมีความอยากเหล่านี้อยู่เราก็จะไม่มีทางที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่ทรมานใจเราอยู่ได้เลยนี่คือทางของเรามีอยู่สองทางทางโลกกับทางธรรมถ้าไปทางโลกก็ไปสู่ความทุกข์ ถ้าไปสู่ทางธรรมก็ไปสู่ความสุขดังนั้นถ้าเราไม่อยากที่จะต้องทุกทรมานใจเราก็ต้องถอยใจเราออกจากกองทุกข์ของสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราต้องตัดเราต้องปล่อยวางเรามีอะไรที่เราไม่มีความจำเป็นเราอยากเก็บเอาไว้ เก็บเอาไว้เท่าที่จําเป็นต่อการดำรงชีพคือปัจจัยสี่เรายังต้องมีบ้านอยู่อาศัยต้องมีอาหารรับประทานมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มถ้าเรามีมากกว่านี้อย่าเก็บเอาไว้และอย่าไปหาเพิ่มมาให้ไปหาธรรมะมาดีกว่าหาธรรมะมาเพื่อมาขับใจของเรา ให้ออกจากกองทุกนี้ให้ได้ตอนนี้ใจของเรายังขาดคนขับที่ฉลาดยังขาดปัญญาที่จะขับใจของเราให้ไปสู่ที่ปลอดภัยได้เราจึงควรเอาเวลาที่เราว่างนี้อย่าเอาไปแสวงหาลาบยุกเสริญสุดเพราะจะเป็นการหาความทุกข์มาเพิ่มให้เราไปหาธรรมะใหไปหากุศล ให้ไปหาพระพุทธเจ้าหาพระธรรมหาพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าหาให้มากฟังให้มากเมื่อฟังแล้วก็นําเอาไปปฏิบัติตามอย่าฟังอย่างเดียวการฟังอย่างเดียวนี้ยังไม่สำ ม, มลิศผลได้ต้องนําเอาไปปฏิบัติตามท่านสอนให้เราละทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่ท่านได้ละมา เราก็ต้องพยายามละให้ได้ถ้ายังละไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างก็ให้ลดจำนวนลงให้ลดปริมาณลงละทีละส0 20%, 30% เซละมันไปเรื่อยๆเช่นวันนี้อยากจะไปซื้อเสื้อผ้ามาอีกสักชุดหนึ่งทั้งๆที่ไม่มีความจำเป็นก็วันนี้ก็ตัดไปอยากไปซื้อ ถ้าเสื้อผ้ามีอยู่ล้นตู้มีอยู่เต็มตู้อย่าไปซื้อมาเอาเงินที่จะซื้อนี้ไปทําบุญเอาไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนให้ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆทุกครั้งที่เราจะซื้อสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นหรือจะใช้เงินโดยไม่มีความจําเป็นก็ให้หยุดแล้วเอาเงินเหล่านี้ไปทําบุญทําทานทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไป เราจะมีความสุขมากขึ้นและเราจะไม่อยากที่จะไปซื้อสิ่งต่างๆมาเพราะการทำบุญให้ทางนี้จะให้ความอิ่มความพอกับใจของเราต่างกับการไปซื้อสิ่งต่างๆมาไม่ให้ความอิ่มไม่ให้คมพอแต่กลับให้ความอยากมากขึ้นไปนเรื่อยๆซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอ ดูเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้ก็แล้วกันมันแทบจะไม่มีที่เก็บแล้วต้องหาตู้มาใหม่ทั้งๆที่ก็ไม่ได้ใช้ไม่ได้ใส่แต่ก็มีเก็บเอาไว้อย่างนั้นเพราะชอบเห็นแล้วอดไม่ได้อยากจะซื้อมาใส่หนเดียวสองหนแล้วก็ไม่ได้ใส่อีกแล้วถ้าอยากจะซื้อชุดใหม่มาก็เอาชุดเก่าที่มีอยู่ในตู้นี้ไปแจกให้คนอื่นก่อน ถ้าทำอย่างนี้แล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากจะซื้อเพราะจะเสียดายเสียดายเงินเสียดายทองแต่กลับไม่รู้ว่าการการสลับแบบนี้กลับทําให้ใจมีความทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นเราจึงต้องพยายามดูพระพุทธเจ้าดูพระ อ, อริยสงสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านอยู่อย่างไรเราควรที่จะอยู่เหมือนท่าน ถึงแม้จะไม่ได้เต็มร้อยเหมือนท่านก็ขอให้อย่างน้อยก็มีมีส่วนบ้างมีคล้ายคล ม, มีความคล้ายคลึงกันบ้างท่านอยู่อย่างสมถะแบบพระเราก็อยู่แบบสมถะแบบโยมก็อยู่ได้แล้วเราจะมีความทุกข์น้อยลงไปและเราจะมีความสุขมากขึ้นไปไเรื่อยๆอยู่ที่การ ดูแลรักษาใจของเราด้วยปัญญาด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเ จ, จา้าที่จะพาใจของเราให้ได้ไปอยู่ไกลจากความทุกข์และอยู่ใกล้กับความสุขเข้าไปมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆอยู่ที่การใช้เวลาของเรานี้กับการมาทากิจของาศาสนา กิจของศาสนานี้พุ่งเป้าไปที่การดูแลรักษาใจนั่นเองถ้าเราปฏิบัติกิจของศาสนาก็ถือว่าเรากาลังดูแลรักษาใจของเราเรากาลังปล่อยวางสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เรากาลังเราไม่ต้องไปดูแลรักษาเขาเพราะว่ารักษายังไงก็รักษาไม่ได้ร่างกายนี้จะให้มียาวิเศษขนาดไหน หมอวิเศษขนาดไหนเมื่อถึงเวลาที่เขาจะตายก็ไม่มีหมอหรือยาที่จะรักษาเขาได้แต่ใจนี้รักษาได้ร่างกายตายไปใจก็ยังอยู่ถ้าใจมีธรรมะมีปัญญารักษาใจก็จะมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์นี่คือความสําคัญของใจและหน้าที่ของเราที่สําคัญก็คือการดูแลรักษาใจนี้เอง จึงขอฝากเรื่องของการดูแลรักษาใจนี้ให้ท่านได้นำไปพินิพจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุดที่แท้จริงที่จะทางมาต่อไปอการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ งเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันะสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ